พระองค์นิรงถือเอาสิ่งที่ปรากฏแก่เทพแล้วตรัสพระดำรัส ด, ด้วยปฏิพานไหวพริบของพระองค์ก็เลยพูดให้มหาชนเชื่อถือนะอันนี้ข้อข้อที่หนึ่งอภูตงอสังเกตวิธีสรุปบอกว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่มีอริยมรรคอย่างที่สองพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เห็นตามเป็นจริงอะไรหรอกกะเอาเดาเอาแล้วเอาออกมาพูดเพราะความคิดได้เฉยๆะนะเป็นคนคิดเป็นอ่ะนะ ก็เลยเอาออกมาพูดที่จริงค่ะไม่ได้บรรลุไม่ได้ไปเห็นหรอกเหมือนกับคนบางคนเนี่ยเล่าเรื่องต่างประเทศทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองไม่เคยไปหรอกอ่ะนะคล้ายๆแบบนั้นนี่ต่อไปอีกแต่แต่แต่ธรรมะที่พระองค์แสดงเพื่อประโยชน์อะไรธรรมะนั้นย่อมดิงไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่บุคคลผู้ทําตามพิเศษอย่างหนึ่งนะว่าธรรมะที่ท่านพูดนะบรรลุได้จริงเอ อ, อะนะก็เลยบอกว่ายัศ จะขวั ส, สิอัตยายะทมโมเดสิโตความว่าก็ธรรมนี้พระองค์ทรงแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่บุคคลใดเช่นพระองค์สอนอสุภากรรมฐานเพื่อกำจัดราคะสอนนิจตาภาวนาเพื่อกำจัดโทสะสอนธรรมะห้าประการคือการเรียนการฟังการทรงการใคร่ครวญการโยนิโสมนัิการเป็นไปเพื่อกำจัดโมหะอาณาปานสติเพื่อกำจัดวิตตตรงนี้ดีนะหัวข้อ4หัวข้อหนึ่ง อสุภะเพื่อกําจัดแก่ราคะเมตตาภาวนาเพื่อกําจัดโทสะธรรมะห้าประการเพื่อกําจัดโมหะสี่อนาปานสตินี้เพื่อกําจัดริตกแต่น่าสนใจคือธรรมะห้าประการเพื่อกําจัดโมหะแม้เกลียดเต็มทีและความโง่เขาอยากฉลาดมั่งทําไงดีหนึ่งก็บอกว่าอุคหันะเรียนให้มากสองสวรณะฟังสามธารณะจา สี่ปริจนะคร้ครวนวิจัยคร่ครวนให้มากๆ 5. ห้าโยนิโสมรชิการปฏิบัติตามนั้นแหละอันนี้เหตุห้าประการเพื่อกําจัดโมหะเนี่ย น, นะคือสุนคขขะนั้นบอกว่าธรรมะนั้นย่อมนำออกคือเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งวัตทุกุกโดยชอบแกผู้ปฏิบัติธรรมตาม ท, ที่ทรงแสดง คือหมายเขว่าถ้าปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสแสดงก็สามารถยังประโยชน์ให้สําเร็จสุตตะสุนักตะนั้นไม่กล่าวถึงเนื้อความทั้งหมดนี้นั้น่ะด้วยอัธยาศัยของตนอันที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าสุนัตะเนี่ยปฏิบัติตามได้วบรรลุอะไรนะไม่ใช่แต่แต่พูดแบบคนมีแผนแผนของเขาก็บอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยถ้าไปพูดว่าไม่นําออกจากทุก ให้จริงเนะี่ยอยากจะพูดใจจะขาดะนะครับว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนปฏิบัติและบรรลุไม่ได้แต่ไม่สามารถจะพูดอย่างนั้นได้ทําไมเพราะกลัวแต่การถูกตําหนิจริงอยู่อในเมืองภัยาลีนี่มีอุบาสกเป็นโสดาบันสกธ า, าคามีอนาคามีจํานวนมากอุบาสกเหล่านั้นก็จะกล่าวอย่างนี้ว่าเนี่ยสุนัขะตะท่านกล่าวว่า ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้ดังนี้ถ้าหากว่าธรรมะนี้ไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ได้จริงใส่ทำไมในเมืองนี้จึงมีอุบาสกที่เป็นโสดาบันเท่านี้สกทาคามีเท่านี้อนาคามีเท่านี้เดียวอุบาสกเหล่านั้นจะออกมาคัดค้านเดี๋ยวจะช่วยกันทาให้ฟันร่วงก็กลัวฟันร่วงนะก็เลยไม่กล้าออกมาปฏิเสธว่าธรรมะไม่ดีจรงิงเท่าไง เพราะฉะนั้นสุนัขขตะเมื่อไม่อาจจะ ก, กล่าวว่าธรรมะวินัยนี้ไม่เป็นเครื่องนำออกจากทุกได้เพราะกลัวถูกตาหนกิก็เลยกล่าวว่าธรรมะของพระสมณะโคโดมไม่เป็นโมคะย่อมนำสัตว์ออกจากทุกได้จริงเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้โดยไม่ถูกเผาแต่พระสมณะโคโดมไม่มีอะไรในภายในเลยคือปฏิเสธคุณธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ยอมรับพระธรรม ไอ้ที่ยอมรับพระธรรมก็ไม่ได้ยอมรับว่าตัวเองปฏิบัติได้ดามนะไม่ใช่แต่เพราะมีคนที่เข้าปฏิบัติตามได้อยู่ถ้าคืนไปปฏิเสธเดียวจะเสียหายอย่างนั้นก็เลยไว้เชิงหน่อยก็เลยไม่ไม่ไม่ออกมาปฏิเสธตรงตรงเมื่อกี้ที่กล่าวไปว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงยอมให้สุนัขขัดตลิชวีบุตรบวชมาอยู่ในพุทธสํานักแล้วก็พระพุทธเจ้าก็โอหัดสั่งสอนท่านเยอะไปหมดเลยเนี่ยะ ทำไมพระองค์จึงยอมให้บวชล่ะท่านบอกว่าสุนัขะตะลิชวีบุตรเนี่ยเป็นคนที่สามารถระดมคนมารวมตัวกันได้มากที่สุดหลังจากที่สุนัขะตะลิชวีบุตร ด, ดา่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นบวชแล้วก็ศึกศึกไปแล้ว ก, ก็หาเรื่องพระพุทธเจ้าเกณฑ์ประชาชนมารวมกันมากเลยแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมบรรลุมหาศาลพระองค์ก็เลยอนุญาตให้ท่านบวชติดตามไปเนี่ยนะ หลังจากที่ท่านระดมคนให้มาฟังธรรมจบแล้วก็กไปตามเรื่องตำราไปตำเรียนตำกรรมมั้นนั่นนะแต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยที่สุดแล้วนะเอื้อเฟื้อที่สุดสงเคราะห์ที่สุดแล้วแต่ก็อย่างว่าคนที่สั่งสมมิชชาทิฏฐิมาม า, มากๆก็ไม่ใช่วจะช่วยกันได้เสมอไปเนี่ยนะถ้าช่วยกันได้จริงๆแล้วถ้าช่วยกันได้ทุกคนจริงแล้วพระเทวทัตก็คงไม่ตกนรกพ่อของพระเทวทัตคือพระเจ้าสุปปาพุทธาก็คงไม่ ตกนรกก็ไม่มีผู้ไปอาบายก็สอนให้บรรลุกันหมดแต่ก็อย่างว่าธรรมะท่านใช้คําว่าเวนยสัตว์บรรลุได้เฉพาะผู้ที่ควรบรรลุเฉพาะพุทธเวนยเป็นต้นไม่ใช่ว่าแมหมอดีหมอตาเก่งเหลือเกินเกิดมาตาบอดแต่กําเนิดแล้วจะทําให้สว่างมันก็ไม่ใช่แล้วนะเพราะลู ก, กตาเขาไม่มีแล้วจะไปเห็นได้ยังไงเหมือนกันทีนี้น สุนัขคตาลิชวีบุตรเนี่ยนะเขาเที่ยวโพนธนาด่าไปทั่วเมืองภัยาลีไปหมดก็คือด่าพระพุทธเจ้าว่าไม่มีมรรคผลอะไรหรอกธรรมะคิดเองทั้งนั้นแหละตัวเองก็ไม่ได้บรรลุหรอกแต่ใครปฏิบัติตามแล้วบรรลุเนี่ยนะในข้อหนึ่งร้ยหกสิบกล่าวว่าครั้งนั้นแลท่านพระสาลีบุตรเวลาเช้านุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปในเมืองภัยาลีเนี่ยนะเพื่อจะบินทบาทได้สดับข่าวว่าสุนัขคตาลิชวีบุตร ได้กล่าววาจาในบริษัทณเมืองไพราลีอย่างนี้ว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์เนี่ยนะโลกุตระมักที่เป็นญานณทัศนะอันวิเศษพอแก่ความเป็นพระอริยะของพระสมณะโคดมไม่มีพระสมณะโคดมทรงแสดงคำที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิด เจมแจ้งได้เองแต่ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงเพื่อประโยชน์ใดธรรมะนั้นย่อมเดิงไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแห่งบุคคลผู้ทำตามลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรเที่ยวไปในเมืองภัยาลีเพื่อบินธบาตแล้วกลับจากบินธบาตในเวลาปัจฉาพัทคือหลังอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุนัขะตะลิชวิบุตรเป็นผู้หลีกไปแล้วจากธรรมวินัยนี้ไม่นานก็คือสึกฮาลาเพศไปเนี่ยนะกล่าววาจาในบริษัทณเมืองเวสาลีว่าธรรมะอันยิ่งของมนุษย์ที่เป็นยานณทัศนะคือโลกุตระมักพอแก่ความเป็นพระอริยะของพระสมณโคดมไม่มี พระสมณโคโดมนั้นทรงแสดงคำที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดเจมแจ้งได้เองแต่ธรรมะที่พระองค์แสดงเพื่อประโยชน์ใดธรรมะนั้นย่อมดิ่งไปเพื่อความสิ้นทุกโดยชอบแห่งบุคคลผู้ทำตามพระพุทธเจ้าพอได้ฟังพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนสารีบทสุนัขคตะลิชวีบทเนี่ยนะเป็นโมคบุรุษเป็นคนเปล่า เป็นคนมักโกรธและวาจาที่เธอกล่าวนั้นก็กล่าวเพราะความโกรธกล่าวเพราะผูกเวรกับพระพุทธเจ้านั่นเองโดยก่อนสารีบุตรสุนัขัตาตนั้นเป็นบุรุษเปล่าคิดว่าจากพูดติเตียนจะด่าพระพุทธเจ้านะแต่กลับกล่าวสรรเสริญคุณของตถาคตแท้ที่จริงคุณของตถาคตที่บุคคลกล่าวอย่างนี้ว่า ธรรมะอันพระธรรคตทรงแสดงเพื่อประโยชน์ใดเป็นทางสิ้นทุกขโดยชอบแห่งบุคคลผู้ทำตามก็หมายความว่าพระองค์บำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดเพื่อจะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายบรรลุมรรคผลฉะนับถือหรือไม่นับถือไม่สำคัญสำคัญที่ว่าคำสอนที่พระองค์สอนแล้วเข้าปฏิบัติแล้วบรรลุมรรคผลได้นี่มันถูกต้องแลว้วนั่นคือความปรารถนานั่นคือเจตนาของพระองค์เนี่ยนะซึ่งถ้ากล่าวอย่างนี้เนี่ยนะ ก็แสดงว่าชมพระพุทธเจ้าที่บอกว่าธรรมะที่พระองค์แสดงแล้วเป็นไปเพื่ อ, อเพื่อประโยชน์ใดที่ผู้ใดปฏิบัติตามสิ้นทุกมันโูภมรรคผลอันนี้ชื่นชมกันแท้ๆว่าสวากขาโตพระขาวตาธรรมโมนั่นเองอธิบายเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเนี่ยนะในหน้าเจ็ดสิบเจ็ดิบเอ็ดที่บอกว่าโมคะปุริสาบุรุรเปล่าเนี่ยนะบุตเปล่าก็คือ คนที่ไม่มีอุปนิสัยมักผลในอัตภาพนั้นชาตินั้นไม่พอสามารถจบับบรรลุมักผลได้เรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษคนนี้แหละเป็นคนดุร้ายเป็นคนหยาบคายคำว่าโมฆะบุรุษในพระไตรปิฎกเนี่ยใช้อยู่สองความหมายความหมายหนึ่งถึงมีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุมักผลแต่ขณะนั้นไม่มีมักผลที่จะบบรรลุเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าโมฆะบุรุษอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียก พระอุปเสสนวังคันตบด์น้องพระสาดิบดว่าโมฆาบุรุษเธอเวียนฉไนเธอจึงเวียนกลับมาเป็นคนมกักมา ก, มากเร็วนักเนี่ยนะพระองค์ก็ตําหนิอันะนะนะนะโมคาบุรุษตัวนั้นเนี่ยขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่ตอนหลังท่านก็บรรลุมรรคผลก็เรียกโมฆาบุรุษเหมือนกันเพราะขณะนั้นยังไม่บรรลุหรือไม่มีอุปนิสัยอะไรที่จะบรรลุมรรคผลได้เลยเพระองค์ก็จะเรียกว่าโมฆาบุรุษ สุนขาต่าริชวีบุตรนั้นอุปนิสัยมักผลในชาตินั้นไม่มียังไงชาตินี้สุนขาต่าริชวีบุตรก็ไม่ได้บรรลุพระองค์ก็เลยเรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะบุรุษที่พูดออกไปนั้นพูดด้วยความโกรธเพราะเหตุไรสุนขข่าจึงโกรธพระผู้มีพระภาคเจ้าทําไมนะขณะพระพู้ตัเจ้าดีขนาดนั้นเยี่ยมขนาดนั้นก็ยังโกรธลงคอวังงั้นนหรนะพระก็มีเรื่อง เพราะในการก่อนสุนัขขตะเนี่ยนะตอนที่เขาบวชอยู่เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามถึงการบริกรรมที่พจักสุกล่าวว่าไปเรียนวิธีเจริญให้มีตาทิพย์ลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสแก่สุนัขขตะนั้นแล้วสุนัขคตะนั้นก็ยังที่พจักสุให้เกิดขึ้น แล้วก็เจริญอารมณกสัญญามองดูเทวโลกก็ได้เห็นเทพบุตรทั้งหลายเห็นเทพพธิดาทั้งหลายที่กําลังสวยที่ผสมบัตินะมองดูเทวดาในสวรรค์ที่อยู่ในสวนนันทวันบ้างจิตรดาวันบ้างปารุศกวันบ้างมิศกวันบ้างเนี่ยนะก็ดูไปเรื่อยแม้พอดูเห็นภาพเห็นรูปอะไรเยอะแยๆแล้วก็ประสงค์จะฟังเสียงของเท พ, พบุตรและเทพพธิดาเหล่านั้นที่ดํารงอยู่ในอัตภาพสมบัติเห็นป่านนั้นว่า จะมีเสียงอ่อนหวานอย่างไรหนาะและแม่อยากฟังเสียงเหลือเกินดูสิเขาพูดกันน ะ, นะก็เหมือนว่าดูทีวีใบอย่างนั้นนะก็เห็นแต่ภาพที่เขาถ่ายทอดออกมาแต่ว่าฟังไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องอย่างนั้นอยากจะมีหูทิพย์อยากจะฟังเสียงก็เลยเข้าไปฟ้อพระพุทธเจ้าถามบริกรรมข้อปฏิบัติเพื่อให้ได้ทิพโสตธาตุแต่พระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าสุนัขาต่านั้นไม่มีอุปนิสัยแห่ง ที่โสตะคือยังไงก็ม้ไม่มีหูทิพไม่ได้ก็เลยไม่ตรัสบอกการบริกรรมแก่เขาเพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ตรัสบริกรรมคือข้อปฏิบัติแก่ผู้เว้นจากอุปนิสัยไม่บอกวิธีแก่ผู้ไม่มีอุปนิสัยพอพระพุทธเจ้าไม่บอกก็เลยผูกอาฆาตผูกเวนผูกโกรธในพระพุทธเจ้าคิดว่า เราเนี่ยได้ทูลถามการบริกรรมถึงทิพยจักษุครั้งแรกกับพระสมณะโคโดมพระองค์ก็ได้ตรัสแก่เราว่าทิพยจักษุบริกรรมนั้นอะจงสําเร็จหรือว่าจงอย่าสำเร็จนี่ยที่จริงอะเขาบอกบอกพระพู้เผยเจ้าก็สักแต่ว่าบอกไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดลอกว่าเราจะทําได้แบบนั้นแต่เราก็สามารถยังทิพยจักษุบริกรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นด้วยการกระทําจำเพาะบุรุษ นี่มันฝีมือของเราชัดๆเลยนะที่พระพุทธเจ้าบอกก็บอกไปอย่างนั้นแหละได้ก็ช่างไม่ได้ก็ช่างพระพุทธเจ้าก็ว่าไปเรื่อยแต่ตัวเองเนี่ยทําได้ทีนี้ก็อยากจะถามวิธีเจริญหูทิพสทิพโสตก็ไม่ตรัสบอกการบริกรรมวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้ทิพโสตะนั้นแก่เราชรอยสงสัยว่าพระองค์นี่จะคิดอย่างนี้ว่าอันนี้เนี่ยความโกรธเนี่ยมันแทรกขึ้นมาเลยนะ ตำหนพระพุทธเจ้าบอกว่าสงสัยพระพุทธเจ้าจะคิดอย่างนี้ว่าสุนัขข่าานี่บวชจากรา ช, ชาสกุลยังที่ประจักษ์สูขให้เกิดขึ้นแล้วยังที่พระโสตะยานให้เกิดขึ้นแล้วยังเจโตปริยญ า, านยังยานในความสิ้นตายแห่งอาสวะทั้งหลายให้เกิดขึ้นแล้วก็จักทัดเทียมเราแน่แท้อะนะกลัวเดี๋ยวสุนัขัตาาจะเก่งเข้าเราพระพุทธเจ้าเนี่ยกำบังอะไรก็เรียกว่าเก็บบางอย่างเอาไว้ในกำมืออาจารย์จะไปซ่อนให้มันรู้หมดเดี๋ยวมันเท่าเรา กลัวว่าสุนัขขะตะจะเท่ากันใช่ไหมคิดว่าคนคนคนที่กิเลสหนาก็นึกว่าคนอื่นกิเลสเหมือนตัวนั่นนะว่ากันนะคนที่สกปรกก็นึกว่าคนอื่นเนี่ยเลวร้ายเช่นกับตนก็เลยเที่ยวกล่นด่าพระพุทธเจนะ้าอะนนความที่ตัวเองไม่สะอาดตัวเองไม่ฉลาดตัวเองโง่เขลาตัวเองมักโกรธก็นึกว่าคนอื่นนี่จะเป็นเช่นกับตัวนะั่นนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวนะคิดว่าพระพุทธเจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดสอนให้มีตาทิพย์มีหูทิพย์รู้วารจิตอันนะ แล้วก็ถ้าอย่างอื่นก็ระลึกชาติได้เป็นต้นเนี่ยตลอดจนถึงสิ้นอาสะวะทั้งหลายก็จะทัดเทียมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยไม่ตรัสบอกแก่เราเพราะพระพุทธเจ้าริษยาแน่นอนแสดงว่าพระองค์้ตรณีแน่นอนคิดว่าพระพุทธเจ้ายังมีความริษยาและความตรณีริษยาก็คือกลัวเกินหน้าเกินตาตรณีก็เก็บความหน้าอัศจรรย์ไว้แต่เพียงผู้เดียว